จเจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาผู้ใฝ่ธรรมทุกๆท่านวันนี้วันศุกร์ที่28ทธันวาคมพุทธศักราชสองพันห้ารอยห้าสิบห้าเป็นวันพระเป็นวันธรรมัสวนะเป็นวันฟังธรรม เป็นวันเสริมสิริมงคลให้แก่ชีวิตด้วยการบำเพ็ญด้วยการปฏิบัติตามพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้ทรงตรัสไว้ว่าอาเซวนาจะบาลานังบันฑิตานันจะเซวนาปูชาจะปูชนียาังเอตัมมังกลมุตตังอาเซวนาแปลว่า อาเสวนาจะบาลานังแปลว่าไม่คบคนพานบัณฑิตานันจะเสวนาแปลว่าคบบัณฑิตปูชาจะปูชนียานังแปลว่าบูชาบุคคลที่สมควรแก่การบูชาเอตัมมังกลัลลุมตมังเป็นมงคลอย่างยิ่งแก่ชีวิต นี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนให้เราปฏิบัติตามกันให้ได้การไม่คบคนพาลก็หมายถึงไม่คบคนโง่คคำว่าพาล น, นี้แปลว่าคนโง่คนที่ไม่รู้บุญรู้คุณรู้โทษรู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้บุคคลรู้สังคมรู้ประมาณ รู้กาลเทศะถือว่าเป็นคนพาลคนพาล น, นี้เป็นคนที่ไม่รู้ว่าการกระทาของตนนั้นเป็นเหตุที่ทำให้ตนเจริญหรือเสือ่อมเช่นคนพาลมักจะทำในสิ่งที่ตรงกันข้ามกับสิ่งที่ควรจะทำเช่นเสพสุรายาเมา เล่นการพนันเที่ยวกลางคืนคบคนชั่วเป็นมิตรมีความเกลียดคร้านอันนี้เป็นเหตุที่จะนำมาซึ่งความเสื่อมไม่ใช่เป็นเหตุที่นำมาซึ่งความเจริญถ้าคบกับคนพานเขาก็จะชวนให้เราไปทำสิ่งที่เขาชอบทำ แล้วเมื่อเราเก่งใจเขาเราไม่อยากจะเสียมิตรเราก็ต้องทำตามที่เขาชวนเราก็จะเสียตัวแทนได้มิตรแต่เสียตนเสียความดีในตัวของตนเองไปเพราะไปทำในสิ่งที่จะทำให้เสื่อมเสียตามมาต่อไปเพราะพระพเจ้าจึงทรงสอนไม่ให้คบคนผ่าน ให้คบบัณฑิตบัณฑิตก็คือคนที่รู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้บุคคลรู้สังคมรู้ปามหารรู้กาลเทศะบุคคลที่รู้สิ่งเหล่านี้ดีที่สุดก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั่นเองดังนั้นการที่เราได้มาวัดมาพบกับพระพุทธศาสนามาฟังเทศน์ฟังธรรม ก็ถือว่าเราได้เข้ามาคบกับบัณฑิตนั่นเองเพราะบัณฑิตจะทำตนเป็นบุคคลที่น่าเรื่อมใสเป็นบุคคลที่ทำแต่สิ่งที่มีคุณมีประโยชน์ละเว้นการกระทาที่เป็นโทษทั้งหลายเช่นละเว้นจากการเสพสุรายาเมา เที่ยวกัางคืนเล่นการพรนันคบคนชั่วเป็นวิตรละเว้นจากความเกียดคร้านและละเว้นจากการทำบาปทั้งหลายเช่นการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตการลักษรัทการประพฤติผิดประเวณีการพูดปดการกระทำเหล่านี้เป็นเหตุที่จะนำมาซึ่งความเสื่อมทั้งในปัจจุบั น, นชาติ และในอนาคตชาติที่จะตามมาต่อไปอันนี้พระพุทธเจ้าได้ทรงพิสุจน์เห็นแล้วอย่างชัดเจนว่าความสุขความเจริญหรือความเสื่อมหรือความทุกข์นั้นไม่ได้เกิดจากใครทั้งนั้นเกิดจากการกระทาของเราแต่ละคนพระองค์ทรงตรัสว่าการกระทานี้เรียกเรียกว่ากรรม ถ้าใครทำกรรมแล้วจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นไม่ว่าดีหรือชั่วสับทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนจะทำกรรมอันใดไว้ดีหรือชั่วบุญหรือบาปจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นคนเราเกิดมาจึงมีความสูงต่ำไม่เท่ากันมีความดีชั่วไม่เท่ากัน เพราะในอดีตชาติได้ทําบุญทำบาสมาไม่เท่ากันได้ทําความดีทําความชั่วมาไม่เท่ากันเวลามาเกิดจึงมีความแตกต่างกันเพราะผลเพราะเหตุที่ทํามาทําให้ผลคือภพชาติของเราต่างกันเชงมีฐานะเงินทองมากน้อยต่างกันมีรูปร่างหน้าตา สวยงามผิวพรรณผ่องใสมากน้อยต่างกันมีอายุยืนยาวนานมากน้อยต่างกันมีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนมากน้อยต่างกันอันนี้เป็นผลเป็นเป็นผลที่เกิดจากเหตุคือการกระทธรรมถ้าทำบาปถ้าคบคนพาลถ้าเสพอบายามุขชีวิตก็จะตกต่าง เวลาตายไปก็จะต้องไปเกิดในอบายไปเกิดเป็นเดรัจฉานบ้างเป็นเปรดบ้างไปตกนรกบ้างพอใช้กรรมหมดแล้วถึงค่อยกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แต่เป็นมนุษย์ที่ต่างต้อยเป็นมนุษย์ที่ไร้วาสนาบารมีเป็นรูปร่างหน้าตาไม่สวยงามผิวพรรณไม่ส่มผอมใสฐานะการเงิน ไม่ดีสติปัญญาไม่แหลมคมอันนี้เป็นผลที่เกิดจากการคบคนพาลผลที่เกิดจากการทำบาปผลที่เกิดจากการเสพอบายมุกต่างๆส่วนผู้ที่คบบัณฑิตเช่นคบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วเชื่อฟังพระธรรมคำสอนเชื่อฟังคำสอนของพระพุทธเจ้า เชื่อฟังคำสอนของพระ อ, อริยสงฆ์สาวกทั้งหลายก็จะปฏิบัติตามก็คือจะไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่พูดปดมดเท็จไม่เสพสรารยาเมาไม่เล่นการพนันไม่เที่ยวกลางคืนไม่คบคนชั่วเป็นมิตรไม่มีความเกลียดครานบุคคลเหล่านี้ ก็จะมีผลดีตามมาในชาติถ้าตายไปก็จะได้ไปเกิดเป็นเทพเป็นพรหมเป็นพระอริยบุคคลขั้นต่างๆแล้วกลับมาถ้ากลับมาเกิดเป็นมนุษย<ม>์ก็จะเป็นมนุษย์ที่มีความเจริญรุ่งเรืองกว่าเก่ามีรูปร่างหน้าตาผิวพรรณผ่องใสกว่าเก่า มีฐานะการเงินการทองที่ดีกว่าเก่ามีสติปัญญาความรู้ความฉลาดมากกว่าเก่ามีอายุมียาวนานกว่าเก่ามีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงกว่าเก่า<ม>เพราะนี่คืออนิสงหรือผลที่เกิดจากการคบบัณฑิตจทำความดีนั่นเองนี่คือมงคลที่พูะเจ้าทรงตัดไว้ ว่าเป็นมงคลอย่างยิ่งเป็นมงคลที่การประพฤติปฏิบัติของเราเราอย่าไปขอผลเพราะผลนี้ไม่เกิดด้วยการขอผลนี้จะเกิดด้วยการกระทำของเราเองต่อให้เรากับพระพุทธเจ้าหรืออยู่ต่อหน้าพระพักของพระพุทธเจ้าแล้วขอสิ่งนั้นสิ่งนี้พระพุทธเจ้าก็จะไม่สามารถมอบให้กับเราได้ แต่พระองค์จะสอนว่าขอให้ปฏิบัติตนให้ดีเถิดทำดีเถิดแล้วผลต่างๆก็จะดีตามมาอย่างแน่นอนพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าถึงแม้จะอยู่หน้าพระพักถึงแม้จะเกาะชายผ้าเหลืองแต่ถ้าไม่คิดดีพูดดีทำดีความดีต่างๆที่ปรารถนาก็จะไม่เกิดขึ้นและในทางตรงกันข้าม ถึงแม้จะอยู่ห่างไกลจากพระพุทธเจ้าเป็นโยธเป็นร้อยปีพันปีอย่างพวกเราแต่ถ้าเราคิดดีพูดดีทำดีความสุขและความเจริญก็จะเป็นผลที่ตามมาอย่างแน่นอนนี่คือหลักคำสอนของนักราตรทั้งหลายสอนให้กระทาดีคิดดีพูดดีไม่ได้สอนให้ขอสิ่งนั้นสิ่งนี้เพราะการขอนี้ เป็นการไม่ใช่เป็นเหตุที่จะทำให้เกิดผลตามมานั่นเองถ้าได้ก็อาจจะได้เพราะเป็นอนิสงค์ของบุญเก่าที่เคยทำมาแล้วบังเอิญอธิษฐานขอก็ได้ตามที่ขอมาแต่อันนี้เป็นการบังเอิญเป็นจังหวะของอนิสงค์ของบุญเก่าที่ส่งผลให้ในขณะที่ เราขอสิ่งนั้นสิ่งนี้ถ้าเราขอได้เราก็ควรจะเป็นผู้ที่มีแต่ความสุขความเจริญโดยถ่ายเดียวขออะไรก็ขอได้เช่นขอให้เป็นมหาเศรษฐีก็เป็นขอให้เป็นมหาจักรพรรดิก็เป็นขอให้เป็นพระอรหันต์ก็เป็นอย่างนี้พวกเราก็จะเป็นเศรษฐีเป็นจักรพรรดิเป็นพระอรหันต์กันเต็มไปหมดแล้ว แต่การขอนี่มันไม่ได้เป็นเหตุมันจึงทำให้พวกเราไม่ได้เป็นตามที่เราขอกันแต่ถ้าเราทำแล้วรับรองได้ว่าเราจะได้เป็นกันทุกคน Bold. ถ้าพวกเราสร้างเหตุที่จะทำให้เป็นมหาเศรษฐีเราก็จะเป็นมหาเศรษฐีได้สร้างเหตุให้เป็นมาหาจักรพรรดิก็จะเป็นมาหาจาักรพรรดิได้สร้างเหตุที่จะทำให้เป็นพระพุทธเจ้าก็จะเป็นพระพุทธเจ้าได้ เพราะเหตุและผลนี้เป็นของคู่กันมาเสมอไม่มีวันช่วงไหนยุคใดสมัยใดที่เหตุและไม่และผลนี้จะไม่สอดคล้องกันดังนั้นขอให้พวกเราจงตั้งจิตของเราไปที่เหตุตั้งความตั้งใจของเราไปที่การกระทาอย่าไปตั้งใจของเราอยู่ที่ผลที่เราพึงจะได้รับ เพราะว่ามันจะไม่เกิดนั่นเองแต่ถ้าเราตั้งไปที่เหตุอย่างที่วันนี้เรามาทํากันเรามาคบบัณฑิตเรามาทําสิ่งที่บัณฑิตสั่งสอนให้เราทําความเป็นสิริมงคลอย่างยิ่งแก่ชีวิตก็จะเป็นผลที่จะตามมาอย่างแน่นอนนี่คือเรื่องของอเซวนาจะบาลานังบัณฑิตานันจะเสวนา คือการไม่คบคนพาคบบัณฑิตเป็นมงคลอย่างยิ่งอีกประการหนึ่งที่เป็นมงคลก็คือบูชาเจปูชนียานังแปลว่าการบูชาบุคคลที่สมควรแก่การบูชาบุคคลที่สมควรแก่การบูชาก็คือบุคคลที่มีพระคุณอันยิ่งใหญ่กับพวกเรานั้นเองเช่นพระพุทธพระธรรมพระสง์ ผู้มีพระคุณยิ่งใหญ่แก่จิตใจของเราบิดามารดาผู้มีพระคุณยิ่งใหญ่ต่อชีวิตของเรากูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณต่อการให้ความรู้ความฉลาดแก่เราบุคคลเหล่านี้เป็นบุคคลที่เราพุงบูชาด้วยการเทดิดทูนด้วยการเคารพและด้วยการปฏิบัติ ต, ตามคำสอนของท่านการบูชาที่ เป็นการบูชาที่แท้จริงต้องเป็นบูชาด้วยการปฏิบัติบูชาการบูชาด้วยเครื่องสักการะเช่นดอกไม้ทูบเทียนนี้เป็นการบูชาที่ไม่ใช่เป็นการบูชาอย่างแท้จริงเป็นการแสดงความเคารพเท่านั้นแต่ถ้าต้องการบูชาเราต้องบูชาด้วยการปฏิบัติบูชา วิดามาดาสั่งสอนให้เราทําอะไรเราก็ควรที่จะทําตามคําสอนของท่านถ้าท่านถ้าคําสอนนั้นไม่ผิดหลักธรรมอันดีงามทั้งหลายเราก็ควรที่จะปฏิบัติตามแต่ถ้าคําสอนนั้นเป็นคําสอนที่ขัดกับหลักธรรมอันดีงามเช่นสอนให้เราฆ่าสัตว์ตัดชีวิตรักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณี พูดปดเสพสุรายาเมาเที่ยวกลางคืนเล่นการพนันอย่างนี้เป็นคำสอนที่ขาดหลักทำอันดีงามเราก็ไม่ต้องปฏิบัติตามก็ได้ไม่เสียหายแต่อย่างใดไม่เป็นการเนรคุณหรือไม่เป็นการขาดความเขารกแต่การที่เราจะไปโต้เถียงกับบิดามารดาว่า ไม่ถูกอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้ไม่ใช่ฐานะของเราเราเป็นลูกเราเป็นเหมือนเป็นผู้ฟังเรามีหน้าที่ฟังคำสั่งคำสอนของบิดามารดาท่านจะสั่งสอนอย่างไรถูกผิดอย่างไรเราฟังไว้เฉยๆแล้วเอามาพิจารณาดูว่าถูกหรือไม่ถ้าไม่ถูกเราก็ไม่ต้องปฏิบัติตาม แต่เราไม่ต้องไปถกเถียงกับบิาดามารดาเพราะเป็นถือว่าเป็นการไม่ให้ความเคารพถือว่าเป็นการปฏิบัติที่ไม่ดีต่อบิาดามารดาเช่นเดียวกับการดุดาว่าก่าวบาดามารดาแม้ถึงแม้ว่าสิ่งที่ว่านี้จะถูกก็ตามแต่ก็ไม่ใช่ฐานะของลูกที่จะไปดุดาว่ากา่า บิดามารดานีแต่ขอถ้ามียกเว้นว่าถ้าบิดามารดาถามอย่างนี้เราก็พูดได้ถ้าถามว่าทำอย่างนี้ถูกไหมพูดอย่างนี้ถูกไหมดีไหมอย่างนี้เราก็สามารถที่จะกาเรีนไปได้ถ้าเราเห็นว่าไม่ถูกเราก็พูดไปตามเหตุตามผล แต่ถ้าท่านไม่ได้เปิดโอกาสให้เราพูดเราไม่ควรที่จะพูดอะไรควรที่จะเทิดทูนบิดามารดาไว้เหนือเสียงก้าวเสมอและควรที่จะเลี้ยงดูท่านไปจนวันตายถ้าเรามีความสามารถที่จะเลี้ยงดูท่านได้หรือว่าท่านท่านไม่ต้องการหรือว่าท่านมีฐานะที่ดีกว่าเรา อันนี้เราก็ไม่ต้องเลี้ยงดูท่านก็ได้แต่เราก็ควรที่จะอยู่ใกล้คอยรับใช้เวลาที่ท่านขาดหรืออะไรที่ท่านไม่สามารถที่จะทาได้เราก็ควรจะทำถ้าทาอย่างนี้แล้วเรียกว่าเราได้บูชาพวกคุณของบิดามารดาเราก็จะเป็นบุคคลที่น่าชื่นชมยินดี เป็นคนมีความกระตันยูรู้คุณคนเราจะเป็นคนดีไม่ดีนนั้ท่านให้สังเกตดูที่ความกระตันยูกตเวทีเป็นหลักถ้าเป็นคนดีแล้วมักจะเป็นคนที่มีความกระตันยูกตเวทีคนไม่ดีนี้มักจะไม่มีความกระตันยูกตเวทีดังดูพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างที่มีความกระตันยูต่อพระ พุทธมารดาและพระพุทธบิดาถึงแม้ว่าพระพุทธมารดาได้จะได้เสด็จสวรรคตไปเจ็ดวันหลังจากที่ได้ประสูติพระราชโอรสแล้วก็ตามแต่หลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสรูปพระองค์ก็ทรงเร่งยานเพื่อติดต่อกับพระพุทธมารดาที่ได้ไปเกิดอยู่บนสวรรค์และทรงสามารถ สมธนาธรรมสั่งสอนพระพุทธมารดาให้ได้บรรลุปเป็นพระโสดาบันเป็นผู้ที่ได้หลุดพ้นจากการที่จะต้องไปเกิดในอบายและจะเป็นผู้ที่จะได้บรรลุถึงพระนิพพานไม่เกินเจ็ดชาติเป็นอย่างมากนี่เป็นการทดแทนพระคุณของมารดาของพระพุทธเจ้า ซึ่งพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าการทดแทนบุญคุณของบิดให้แก่บิดามารดานี้ไม่มีอะไรจะดีเท่ากับการทำให้ท่านหลุดพ้นจากการที่จะต้องไปเกิดในอบายและให้ท่านสามารถบรรลุ ถ, ถึงพระนิพพานได้ไม่เกินเจ็ดชาติก็คือให้ท่านได้เป็นพระโสดาบันให้ละสกายะทิฏฐิให้ละส ก, ก วิจิกิจฉาให้ละศีลพัฒปารมาที่เป็นบ่วงที่จะที่จะดึงให้สัตว์โลกต้องไปเกิดในบายแต่ถ้ามีมีถ้าละสกายะทิฐิได้ละวิจิกิจฉาได้ละศีลพัตปารมาได้ก็จะไม่มีบ่วงที่จะดึงให้ไปเกิดในบาปอีกต่อไป นี่เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงปฏิบัติต่อพระพุทธมารดาส่วนพระบิดาก็เช่นเดียวกันพระพุทธเจ้าก็ทรงสอนพระบิดาให้บรรลุธรรมได้เจ็ดวันก่อนที่จะสิ้นพระชนไปนี่แหละคือวิธีที่ชดใช้บุญคุณวิธีบูชาพระคุณของผู้มีพระคุณเช่นบิดามารดาควรจะทำ ด้วยการปฏิบัติบูบชาหรือด้วยการให้ความรู้ที่ดีแก่บิดามารดาถ้าเรามีความรู้นั้นส่วนการบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็บูชาเช่นเดียวกันมีการบูชาด้วยดอกไม้ทูกเทียนอย่างที่เราทำกันเป็นประจำอันนี้เป็นการบูชาส่วนย่อยไม่มีสาระสำคัญเท่าไหร่ สาระสำคัญนี้ต้องอยู่ที่การปฏิบัติบูบชาการปฏิบัติบูชาก็ต้องปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นเองพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าผู้ใดบูชาผู้ใดปฏิบัติธร ร, ร, ร, รมสมควรแก่ธรรมผู้นั้นแลคือผู้บูชาเราตถาคตถ้าเราอยากจะบูชาพระพุทธเจ้าแต่เราไม่มีดอกไม้ทูบเจียนเราก็ยังสามารถบูชาได้ บูชาด้วยการทำบุญบูชาด้วยการรักษาศีลบูชาด้วยการภาวนาทำใจให้สงบทำใจให้สว่างสวยด้วยปัญญาเพื่อจะได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดอันนี้แหละคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงปรารถนาจากพวกเราในการที่ได้ทรงสละเวลาของพระองค์ มาสั่งสอนสัตว์โลกทั้งหลายอย่างพวกเราเพื่อให้ได้มีหูตาสว่างให้ได้หลุดพ้นจากกองทุกข์ทั้งหลายให้ได้หลุดพ้นจากการเยียนไหวาตายเกิดในโลกแห่งการเกิดแก่เจ็บตายนี้พระองค์มไม่ต้องการอะไรจากพวกเราไม่ต้องการลาบสักการะไม่ต้องเงินไม่ต้องการเงินทองไม่ต้องการยศถาบรรดาศักดิ์ ไม่ต้องการอะไรทั้งนั้นเพียงแต่ต้องการให้พวกเราได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้เข้าสู่พระนิพพานดังที่พระพุทธองค์ได้ทรงปฏิบัติได้บรรลุถึงอันนี้แหละคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงปรารถนาจากพวกเราถ้าพวกเราอยากจะบูชาพวกคุณของพระพุทธเจ้าก็ขอให้เราทำบุญให้ทานขอให้เรารักษาศีล ขอให้เราบำเพ็ญจิตตะภาวนาคือทำใจให้สงบทำใจให้ฉลาดให้รู้ทันว่าสภาวะธรรมทั้งหลายในโลกนี้เป็นทุกข์ไม่เที่ยงไม่ใช่ของเราถ้าเราทำได้รับรองได้ว่าจิตของพวกเราจะได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลาย นี่คือสิ่งที่เราควรจะปฏิบัติกันการทําบุญให้ทานก็อย่างที่ญาติโยมได้มาทํากันในวันนี้ขอให้ทําไปเรื่อยๆทําไปใ ห, มปให้มากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็รักษาศีลให้บริสุทธิ์มากขึ้นไปเรื่อยๆตอนต้นก็รักษาในวันพระก่อนต่อไปก็รักษาทุกวัน พอรักษาศีลห้าได้แล้วท่านต่อไปก็รักษาศินแปถ้าเรารักษาศินได้เราก็จะบำเพ็ญจิตตภาวนาได้เราจะมีเวลาว่าเพราะคนที่มีศีนนี้โดยเฉพาะคนที่ถือสินแปนี้จะไม่ต้องไปเสียเวลากับการหาเงินหาทองกับการไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเพราะ สามารถหาความสุขที่ดีกว่าก็คือความสุขที่เกิดจากการทําใจให้สงบ ก, การจะทําใจให้สงบได้จะต้องละการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายจึงจําเป็นจะต้องรักษาศีลแปเพราะจะการถือศีลแปดนี้ก็เพื่อเป็นการปิดกั้นไม่ให้เราไปหาความสุข ทางลูกเสียงกลิ่นลดโผฏฐภานั่นเองพอเราไม่ไปหาความสุขเหล่านั้นเราก็จะมีเวลามาสวดมนต์มาบริกรรมพุทธโธมานั่งสมาธิมาฟังเทศฟังธรรมมาเจริญปัญญาทำใจให้รู้ให้ฉลาดให้ปล่อยวางพอเราปฏิบัติไปเรื่อยๆแล้วความสงบก็จะค่อยปรากฏขึ้นมาตามลำดับ ความสุขอันยิ่งใหญ่ที่เหนือกว่าความสุขทั้งหลายในโลกนี้ mm hmm. ก็จะให้เราได้เสพได้สัมผัสเราก็จะมีความอิ่มความพอจะไม่มีความหิวความอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยากมีสิ่งนั้นสิ่งนี้อยากให้สิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอเราไม่มีความอยากต่างๆเหล่านี้ ใจของเราก็จะไม่มีความทุกข์ไม่มีความหงุดหงิดนาคาใจไม่มีความวุ่นวายใจไม่มีความกังวลกวายใจเพราะความรู้สึกต่างๆเหล่านี้ออกมาจากความอยากต่างๆของเรานั่นเองพอเราละความอยากได้หมดแล้วใจของเราก็จะมีแต่ความสุขใจที่มีความสุข ตลอดเวลานี้เรียกว่าพระนิพพานนั่นเองใจที่ไม่มีความอยากก็จะไม่มีเหตุที่จะผลัก ด, ดันให้ใจไปเกิดใหม่เหตุที่จะทำให้เราไปเกิดใหม่ก็คือความอยากต่างๆแต่เมื่อเรามีความสุขเรามีความอิ่มมีความพออยู่ตลอดเวลาเราก็จะไม่มีความอยากเมื่อเราไม่มีความอยากเราก็จะไม่ต้องไปเกิดอีกต่อไป การไม่ไปเกิดนี่ไม่ได้หมายความว่าตัวเราสูญหายไปไหนตัวเราก็ยังมีเหมือนอยู่ที่เราอยู่ขณะ น, นี้ต่างกันตรงที่ว่าเราไม่ต้องมีร่างกายเป็นเครื่องมือให้ความสุขกับเราเราสามารถมีความสุขโดยที่ไม่ต้องมีร่างกายเช่นเวลาเรานอนหลับแล้วฝันดีตอนนั้นเราก็ไม่ได้ใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือทาความสุขให้กับเรา เราใช้ใจใช้บุญกุศลที่เราทำมาสร้างความสุขให้กับเราดังนั้นไม่ต้องไปกลัวว่าถ้าเราไม่ได้เกิดแล้วเราจะสูญหายไปเราจะไม่มีความสุขอันนี้ไม่ใช่การไม่เกิดนี้เราย่งมีตัวเรายังมีอยู่ตัวเรายังมีความสุขอยู่แต่ไม่มีความทุกข์เหมือนที่เราเป็นอยู่ในขณะนี้ ตอนนี้เรามีทั้งสุขมีทั้งทุกข์สลับกันไปส่วนใหญ่มักจะเป็นความทุกข์เสียมากกว่าความสุขแต่ถ้าเราไม่ต้องมาเกิดไม่ต้องมีร่างกายแล้วเราก็จะมีแต่ความสุขเพียงอย่างเดียวนี่คืออา น, นิสงส์หรือผลที่จะได้รับจากการที่เราปฏิบัติบูบชาที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเป็นมงคลอย่างยิ่ง นี่แหละไม่มีอะไรจะเป็นการมงคลยิ่งกว่าการได้บรรลุถึงมรรคผลนิพพานจึงขอฝากเรื่องของการมาเสริมสิริมงคลในวันพระนี้ให้ท่านได้นำเอาไปพิจิตพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา ยังขอยุดติดไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพศรีรัตนกรตรและบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญการในวันนี้ยงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญด้วยอายุวันน้สุขภาละโดยทั่วหน้ากาันเทอ